ส่วนใหญ่ก็ภาวนาเป็นนะนะภาวนาเป็นแล้วก็ทําให้มากมากนารานามันมีเป็นลําดับไปบื้องตอนเรารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้ก็รู้สึกกายรู้สึกใจได้คนในโลกไม่รู้สึกตัวน้อยคนจะรู้สึกตัวได้นี่สมัยก่อนนะแทบไม่มีเลย ความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะมันหลุดออกจากสภาวะสองด้านนะด้านหนึ่งใจเผลอไปส่งออกไปส่งไปดูส่งไปฟังส่งไปคิดอะไรเงี้ยอีกด้านหนึ่งบังคับกายบังคับใจเอาไว้เพ่งเอาไว้คนในโลกนี้นะจิตออกนอกตลอดจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองตลอดไม่มีคนรู้สึกตัว พวกเข้าวัดก็เพ่งตลอดเหมือนกันก็ลงมือปฏิบัติธรรมก็ควบคุมกายควบคุมใจผิดธรรมชาติทันทีเลยบังคับร่างกายบังคับจิตใจตัวเองให้ผิดธรรมชาติเมืนเลยตกไปสู่ความสุดตรงสองด้านด้านย่อหย่อนตามใจกิเลสหรือการสุขาริการุโยคนี้คนทั้งโลกกับสัตว์ทั้งโลกมันเป็นคือหลงออกข้างนอก เ, เลิดเพลินสบาย พวกเราหัดใหม่ๆเนื้อออกไหมว่ารู้สึกตัวยากได้เผลอเนีง่ายแต่ฝึกไปเรื่อยๆจะกลับข้างนะรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติเลยเผลอยากๆมาเมื่อค่อยยอมเผลอแล้วนะบางทีอยากจะลืมๆ ม, มันบ้างนะอยากจะเลิกภาวนาบ้างเลิกไม่ได้สติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติแต่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเผลอนักปฏิบัติจะเพ่ง ความรู้สึกตัวจริงๆนะตื่นขึ้นมาไม่เผลอไม่เพ่งรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้จงใจจะรู้สึกถ้าจงใจรู้สึกจะเป็นเพ่งมันก็ต้องฝึกกว่าจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็ต้องฝึกตัวเองคอยรู้ทันเวลาจิตเผลอไม่ต้องไปจงใจควบคุมห้ามเผลอถ้าห้ามเผลอจ้เป็นเพ่งทันทีเลย เมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจจะเป็นเพียงเอาเอาแค่รู้สึกเวลามันไหลไปมันเผลอไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดรวยไวไไม่ห้ามนะให้ไหลได้แต่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปไปจะไหลแล้วรู้ได้ก็ต้องฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราพอใจสบายใจพุทโธเราสบายใจก็พุทโธไปหายใจเราสบายใจก็หายใจเอาสะดวกของเรา ไม่ตามคนอื่นไม่ตามเพื่อนไม่ตามอาจารย์ทางใครทางมันอย่างหลวงพ่อทําสมถะด้วยอานาปนาสติเบื้องต้นนะใช้อานาปนาสติและวเดินวิปัสสนาเบื้องต้นเนะี่ยดูจิตเอาแต่ไม่ได้สอนลูกศิษย์ให้ทำตามต้องดูตัวเองจริตนิสัยหมอกอะไรเล่าอย่างนั้นไม่ต้องตามอาจารย์ ทางใครทางมันเส้นทางเนี้ยเราไม่ต้องตามเพื่อนเพื่อนเขาทำอย่างนี้แล้ว เ, เขาดีเราไม่ต้องตามเขาเราไม่ได้ดีเหมือนเขาเนาะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันให้ดูตัวเองว่าเราทากรรมฐานอะไรแล้วดีสติเกิดบ่อยอวันนั้นแหละละเครียดเคียดก็ใช้ไม่ได้หลวงปู่ดูล น, นะเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอด มีองเดียวไม่มีที่สองเลยคือท่านบอกเราได้ว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราไปทําอย่างอื่นนะไม่ได้ผลออกอย่างเรื่องของสมถะนะอัศจรรย์มากเลยอย่างท่านสอนหลวงพ่อคืนตั้งแต่หลวงพ่อคืนยังไม่บวชบอกให้ดูผมเส้นเดียวประหลาดไหยให้ดูผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้ต้องเส้นเดียว หลวงพ่อคืนได้ยินว่าหลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวนะเสียใจว่าหลวงปู่สอนเราน้อยนิดเดียวสอนคนอื่นนั่งเยอะเนี่ยสอนให้ดูกายทั้งกายดูทั้งตัวอะไรอย่างนี้นะบางคนให้ดูแยกร่างกายเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนส่วนฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางคนให้ดูกระดูกดูอะไรมันมีให้ดูเยอะนี่ให้ดูผมเส้นเดียวนี่เรื่องของสมถะทั้งหมดนะฉีกร่างกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ยังสมถะอยู่ เผาบางคีก็กำหนดจิตเผาร่างกายเหมือนเผาศพนั่นนะเผาไปเรื่อยๆหลวงพ่อคืนได้ยินหลวงปู่ดูลสอนโยมอีกคนหนึ่งให้เผาร่างกายสองท่านให้ดูผมเส้นเดียวนะเสียใจว่าหลวงปู่สอนน้อยน้อยกว่าเขานะดูไม่โลดผลเลยไม่ยอมเชื่อพอดีเข้าพรรษาเลยไปอยู่อินมักเป้งวาดหลวงพุเทศ พระนาตลอดพรรษาไม่ยอมดูเส้นผมแต่ว่าไปเผาร่างกายเอาอย่างเพื่อนกำหนดจิตเผาเผาถามท่านแล้วไหมไหมหลวงพ่อไม่หม ม, ม, มันแค่กลิ่มๆอย่างกับปลาย่างนะไม่ยอมไหมสักทีแค่กลิ่มๆออกพรรษานะเขาไม่ได้อะไรเลยกลับมาบ้าน วันหนึ่งนึกขึ้นได้หลวงปู่ดูลให้ดูผมเส้นเดียวก็ลองดูเพราะไม่รู้จะทําอะไรแล้วลองดูผมเส้นเดียวผมมีรูปร่างอย่างนี้เป็นท่อนๆเป็นแท่งๆนี่คืออะไรจะสินดินผมมีสีดําำดูที่สีของผมก็สินสีดูไปด้วยนะ มันมันอ่อนตัวพลิกไปพลิกมาได้กะสินลมเนี่ยดูไปเรื่อยเนี่ยดูผมอยู่แป๊บเดียวนะจิตลมจิตวมแล้วเดินปัญญาต่อไปได้แล้วมีสมาธิแล้วจิตถึงฐานเนี่ยเราไม่มีครูบาอาจารย์แบบนี้นอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเนะี่ยสอนให้ดูจิตเลยเ็สมาธิเราเยอะอยู่แล้วให้ดูจิตไปเลย ส่วนใหญครูบาอาจารย์แต่และองค์ท่านเคยทํามาอย่างไงท่านก็สอนอย่างนั้นหลวงพ่อไม่สอนให้พวกเราทําตามหลวงพ่อนะแต่ไม่สามารถจะบอกอย่างหลวงปู่ดุลได้เวลาจะบอกอย่างหลวงปู่ดุลนะท่านนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเลยพวกเรามาเรียนทิ้งร้อยคนพันคนใครจะไปนั่งบอกได้ไงนั้นช่วยตัวเอง ให้หลวงพ่อช่วยนะทีละคนทีละคนโอ้ไม่ไหวอะ่ะแล้วดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรทําอะไรแล้วสติเกิดเร็วนะเอาวันนั้นแหละพุโทโธพุโทโธไปสบายใจด้วยแล้วเวลาเผลอรู้ได้เร็วด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็พุโทโธไปรู้ลมหายใจแล้วสบายใจเวลาเผลอรู้ได้เร็วก็รู้ลมหายใจไปดูตัวเอง แต่ละคนไม่เหมือนกันห้ามเรียนแบบกันลอกแบบกันไม่ได้ผลนะ็นหลอกเราะคืนไปเผาตัวเองตามเพื่อนไม่ได้ผลนะเพื่อนเผาเราไหมเพื่อนเผาแล้วกลิ่มๆคนอื่นไปดูผมเส้นเดียวก็ไม่ได้ผลเหมือนกันะถามว่าใครเก่งกว่ากันไม่มีใครเก่งกว่าใครมันเป็นความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราดูตัวเองว่าทําอะไรแล้วกรรมาฐานอะไรเราไปรู้แล้วสบายใจ รู้เราเวลาเผลอแล้วสติเกิดเร็วรู้ตัวได้เร็วเอาวันนั้นสังเกตเอากรรมฐานเยอะแยะไปเรื่องของสมถะง่ายตายอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนั้นไม่จํากัดอารมณ์บัญญัติก็ได้ใช้คิดเอาก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แต่พวกเรายังทําไม่ได้อารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานใช้ทําสมถะได้เฉพาะพลายญาบุคคลแต่ว่า แต่และชั้นก็ทำไม่เหมือนกันนะโสดาสกธาคานาคาเวลาจะเข้าไปอยู่กับ น, นิพพานเนะี่ยต้องมาเจริญวิปัสสนาก่อนแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามเกิดดับสแสดงใจลักจิตปล่อยรูปนามเข้าไปรู้นิพพานถ้าเป็นพรหาหนะันแค่มานาสิการแค่ะระลึกถึงมานาสิการถึงนิพพานแลเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแลนะ้วจิตก็ทรงพระนิพพานอยู่อย่างนั้นพักผ่อน แต่พวกเราทําไม่ได้เราไม่เคยเห็นพระนิพพานเห็นพระนิพพานครั้งแรกตอนที่โสดาปฏิมาคเกิดถ้าไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่เคยเห็นนิพพานเลยงั้นที่นั่งสมาธิกันร้อยคนพันคนแล้วไปเห็นพระนิพพานนิพพานปลอมนิมิตเ็นนิมิตทั้งหมดเลยนิพพานไม่ได้เป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์อะไระพระ ที่เข้านิ่านแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งเข้าแถวอยู่แต่และสำนักก็นั่งไม่เหมือนกันอีกนะบางสำนักก็นั่งเก้าอี้บางสำนักนั่งกัดสมาธิมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กชั้นนี้ไซส์ใหญ่พระองค์ใหญ่ชั้นนี้ไซส์พระองค์เล็กเล็กใหญ่ในเรื่องของนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตให้เล็กแค่ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนา ยังไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมไม่มีดินน้ำไฟลมไม่เกิดไม่ตายไม่เคลื่อนที่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งยงตั้งเป็นองคเนี่ยังมีที่ตั้งมีขอบมีเขตเพราะเรายังไม่เห็น เปของที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็นหรอกนะใจิตเรามีตัณหาแบบใดที่จิตยังมีตัณหาเหนนาากาาาาานะไา็ไม่เห็นพันิพาณยันพระโสดาสกทาคานาคาเขาก็ยังมีตัณหาช่วงไหนมีตัณหาอยู่ก็ไม่เห็นพันิพาณช่วงไหนตัณหาดับไปกนะ็พอเห็นพันิพาณไม่ใช่จิตนะพันิพาณไม่ใช่ผู้รู้ ครูบอาจารย์องค์หนึ่งสนดีหลปูล่าปู่จ้ก้ อ, อ น, นี่ผ่านไม่ใช่ผู้รู้ฝากผู้รู้ไปเหมึงพ้นผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆไม่ใช่ของจริงยังมีหมายอยู่กันหมายอาศัยมโนสัญญาเจตนาก็หมายพุ๊บก็สร้างพบทันทีเลยมโนสัญญาเจตนาเป็นอาหารลปัจจัย ให้เกิดการกระทํากรรมเกิดพบนม่ถ้าจงใจจะปฏิบัติเขาไม่เห็นนิพพานแต่เบื้องต้นจงใจไปก่อนนะเช่นวันหนึ่งที่มันหมดความจงใจไม่เห็นการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนจะเป็นแบบนี้เบื้องต้นก็จงใจดูกายจงใจดูใจจงใจดูไตรลักษ ถ้ไปสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติมันรู้โดยไม่ได้จงใจนะมักผลใี้เกิดตอนที่ไม่ได้จงใจเรียกว่าเกิดทีเผลอแต่ว่าไม่เผลอมันเหมือนตอนเผลอคือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไม่เผลอเพราะสติสมาธิปัญญาอัตนมัติของเราตั้งใจจะไม่เผลอยังเผลอเลยงั้นตั้งใจไปก่อนค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนเปนเบื้องต้นรู้สึกตัวให้เป็น ใจมันล่องลอยไปรู้ทันใจล่องลอยไปรู้ทั น, ร, ทนรู้บ่อยๆรู้เร็วๆอย่าไปห้ามลอยถ้านะห้ามลอยจะเป็นเพ่งแล้วอย่าจงใจดูจงใจดูก็เป็นเพ่งอีกรู้สึกเอาสบายๆใจหนีไปแล้วก็ค่อยรู้เอาใจหนีแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ไปซ้อมทุกวันทุกวันทำในรูปแบบ เลือกรูปแบบที่เราสบายใจเลือกรูปแบบที่มีสติยงบางคนหายใจแล้วก็เคลิ้มก็อย่าไปหายใจมันหายใจแล้วเคลิมเราไม่ได้ฝึกเอาเคลิมฝึกเอาความรู้นเนรู้ตัวไม่ใช่แค่หายใจแล้วเคลิ้มนะส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัตินะี่น้อมใจให้เคริมดนะ้วยเจตนาให้เคลิมเจตนาปรุงแต่งจิต เกืบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติคือนักปรุงแตง่งปรุงแต่งกายปรุงแตง่งจิตเพราะนพวกนักปฏิบัติเนี่ยนะจะสุดโต่งไปข้างบังคับข้างอาตัตตะกิริมัฐานนิยมพวกที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจะสุดโต่งไปข้างกามสุขาริการนิยคเพลิดเพลินในกามะคุณอารมณ์อะไรเป็นกามะคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ทำอารมณ์ทั้งหลายที่สนุกสนานนะีเป็นกามะคุณอารมณ์ นี่เราค่อยรู้ทันใจที่ไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกทุกวันนะถึงจะเก่งแล้วก็ต้องฝึกเพราะว่าของอย่างนี้เสื่อมได้สติสมาธิเป็นของเสื่อมนะมีสติแล้วอีกวันหนึ่งก็ไม่มีแล้วมีสมาธิอีกวันหนึ่งก็ไม่มีของเสื่อมมันต้องซ้อมทุกวันใคลๆก่อนจะขึ้นชกมวยนะหรือก่อนจะเล่นกีฬาก็ต้องวอร์มอัพก่อนต้องวอร์มร่างกายก่อน เราจะปฏิบัติเราก็บอมทุกวันทำในรูปแบบหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันฝึกไปหรือใช้กรรมฐานอื่นก็ใช้หลักเดียวกันดูท้องพองยุบไปท้องพองก็รู้สึกตัวท้องยุบก็รู้สึกตัวจิตไหลไปก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใช้หลักเดียวกันฟังธรรมะแยบขายรู้ปฏิบัติ ให้จิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันถึงฐานรู้เนื้อรู้ตัวจิตที่ถึงฐานเนี่ยคือจิตที่ไม่ไหลเผลอไปแล้วก็ไม่ได้ประคองไว้ที่ฐานถ้าไหลไปก็ไม่ถึงฐานออกนอกบางทีก็ส่งเข้าข้างในถ้าประคองไว้ก็คือเพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้สุดโต่งอีกข้างพอเรามีจิตที่รู้ตัวแล้วนะก็เดินปัญญาต่อก็ไม่เห็นมีอะไรยากอะไร มันยากตอนที่จะให้รู้ตัวนะรู้ตัวแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวพอรู้ตัวขึ้นมาได้ก็อย่าให้จิตติดเฉยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนบอกให้รู้ตัวเฉยๆสอนอย่างนี้เยอะเลยนะรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาแค่รู้สึกตัวเนี่ย้ยไม่ไหวหรอกดีเหมือนกันดีกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่ายังไม่เดินปัญญาเันรู้สึกตัวเป็นสมถะนะจำไว้นะ รรู้สึกตัวเนี่ยได้มาด้วยด้วยจิตศิกขาเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นรู้เนะื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานจิตทรงสมาธิสมาธิชนิดไหนสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสมาธิอาภัพของดีของวิเศษที่สุดเลยคนไม่รู้จักคนรู้จักแต่อารามณูปนิชฌานเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่ง รู้ลมเพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้าดูจิตเพ่งจิตไปเพ่งหมดนไม่มีใครค่อยจะรู้จักรักขณูปนิชานรู้แต่ก็รู้แต่ชื่อถ้ารู้่นะไม่ร่วมเป็นไงคือธรรมดาจิตคู่กับอารมณ์ถ้าจิตไปสงบอยู่ที่อารมณ์นี่อารามโนปนิชานถ้าจิตตั้งมั่นรู้อารมณ์จิตอารมณ์อยู่โคราณนะ จิตเป็นแค่คนดูอันนี้ถึงจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานถ้าไหลไปเรื่องอารามนูปนิชฌานเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้นะตั้งมั่นอยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ผ่านมาเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเข้านิโรธสมบัติก็เข้าด้วยตัวนี้นะเลยจะเข้าพระสมบัติเป็นพระรยาบุคคลจะไปพักอยู่กับพระนิพพานเข้าด้วยลักขณูปนิชฌานพวกอารามนูปนิชฌานเข้าไม่เป็น งั้นปุถุชนเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถเข้าพระสมบัติได้ไม่สามารถเข้านิโรธสมบัติได้สองสมบัตินี้ไม่เหมือนกันนะพราสมาบัติเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของสอัพปาที่เศ ส, สนานิพานนิพานที่มีขันอยู่ซึ่งเป็นนิพานที่เกิดตอนที่บรรลุอริยมรรยาผลเพราะงั้นพระสมบัติเนี่ยมีรูปนามอยู่ นิโรธสมาบัติเป็นภาพสะท้อนของอนุปาทิเสสนิพนันธนิพานตอนที่ขันแตกขันดับไม่มีขันนะเป็นธรรมธาตุแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นอสาญญาถ้ามีอยู่เป็นมิจฉาทิฐิชื่อศาสตาธิฏฐิถ้าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉ ท, ทัตทิฏฐิดูยากนะนั้นพูดพูดกันเรียนเรียนกันนะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดนล ขันดับไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีอะไรมีธรรมสิถา้าทมได้เคยได้ยินไหมนิพพานเป็นอายตนะที่พระเจ้าบอกอายตนะนั้นมีอยู่่อายตนะนี้ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตวิญญาณธาตไม่มีอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญาายตนะ ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเคลื่อนไม่มีการอุบัติอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะรู้ได้ด้วยอะไรอายตนะนี่รู้ด้วยใจถ้าไม่มีใจไม่มีอายตนะ ใ, ใจกระทารวมเข้าไปอันเดียวกัน ไรขอบไรเขตไรจุดไรดวงไรที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติแต่ไม่ใช่สัตตติทิฏฐิไม่ได้ศูนย์เป็นอุเฉทัทิฏฐิสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งสำคัญผิดคิดว่าพอนิผ่านแล้วเนี่ยศูนย์ไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลย พวกพราเพื่อนพราด้วยกันพยายามแก้ให้ก็ไม่สําเร็จก็ไปนิ ม, มนต์พระสารีบุตรมาช่วยสอนสารีบุตรท่านก็สอนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์นี่แหละแยกธาตุแยกขันธ์ไปเระอนี้บรรลุพระ อ, อ ร, รหันต์แยกธาตุแขันธ์ได้ท่านม่รู้พระอรหันต์พระสารีบุตรก็ถามบอกว่าถ้ามีคนถามท่านว่า น, นิพพานแล้วเป็นยังไงท่านจะตอบว่าไง ฉันบอกท่านจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปจบตรงนี้ตับเก่งมากเลยพวกเราก็ยักหน้าไปเล้ไม่รู้เรื่องหรอกนักค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปสนุกมากเลยแต่เป็นงานที่ประณีตมากเลยนะประณีตจริงๆเลยอย่างแค่ความสุดโต่งสองด้าน ก็เรื่องประณีตมากแล้วสุดโต่งสองด้านนี้มันลามปามเข้าไปจนถึงว่านิพพานแล้วไปไหนพวกหนึ่งนิพพานแล้วมีอยู่พวกหนึ่งนิพพานแล้วศูนย์สุดตรงสองด้านทางสายกลางของดีของวิเศษเข้าใจยากพระพุทธศาสนาเวลาเกิดขึ้นแล้วนะอยู่ไม่นานถึงศูนย์ไปทุกคราวอยู่ได้ไม่นาน สัตว si ์ที่อินทรีย์อ่อนสัตว si ์ที่ปัญญาอ่อนนะไม่สามารถส่งธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้ได้เงินั้นพวกเราที่สนใจนี่นะเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งนะสมมคนเรียนเด็กหลวงพ่อนะแยกธาตุแยกขันได้ตอนนี้คงมีเป็นแสนนะเทียบกับคนในโลกเรานิดเดียวนิดเดีย ว, ด เ, ดยวเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งศา ส, สนาพุทธไม่เคยเป็นคนส่วนใหญ่หรอก นั่นไม่แปลกอะไรหรอกอย่างคนบอกเป็นชาวพุทธนะพร้อมจะทิ้งพระุทธเจ้าไปหาผลประโยชน์ในเรื่องปกติเลยระหว่างพระุทธเจ้ากับเฮงเฮงเอาอะไรเอาเฮง <c oughs> ไม่เอาพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าให้ช่วยตัวเองให้เทวดาช่วยเรียกให้เทวดาช่วยเอาเอามากกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วแยกธาตุแยกขันธ์บางคนบารมีเก่ามี รู้สึกตัวปุ๊บขันแยกเลยบางคนไม่แยกก็ช่วยมันแยกคิดพิจารณาก่อนพอมันแยกแล้วดูของจริงอย่าไปคิดเอาดูของจริงไปไม่ยากอะไรนะไปทานข้าวไป